ภายในตัวเองมีร่างกายเป็นทั้งภายในเป็นสําคัญความทุกข์ความลําบากนี่ก็เป็นภัยอันหนึ่งภัยสำคัญก็คือกิเลสที่เสียบแทรกจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยเรื้อรังไม่เวลาจะหายได้เลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถอันสำคัญเข้าไปแก้จงกระทั่งว่าให้หาขาดไปได้จะมีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่จิตก็ต้องเลยพิจารณา วันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสำคัญสำคัญที่สัจธรรมซึ่งมีอยู่กับตัวปิดจิตปิดใจให้มืดไม่ปิดนานี่ก่อนเพราะสัจธรรมโดยที่เราไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นสัจธรรมคือความจริงล้วนๆทุกสิ่งทุกอย่างปสิ่งนี้ก็เปิดเผย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 นิ่งอะไรวะกว่าฟ้าถลม่มใครว่า้าถลม่มแล้วถามหาความจริงจริงฝ้าถล่มยังไงใครเป็นคนว่าก็มาจนเกาะคือเจอก้กระต่ายไล่ไปดูไปดูที่ไหนได้มีมัตตูลูกหนึ่งมันหล่นตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาแน่นั้นนั่นก็พวกสัตว์ที่ตื่นหลงตามกระตายเพราะเจ็บแท่งเจ็บขาขาหักไปมันมีเยอะเนี่ยกระต่ตายตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความ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 นั่นแหละคือความจริงอันสุดส่วนความบริสุทธิ์โดยทิ้นเชิงเรื่องกระตายปืนโตหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอืมนั่นหละพระยาลาักษสีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญ า, าศาสนาก็หมายถึงศาสตร์องศาตะประกาศสอนโลกเรียนให้มันถึงความจริง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 เราจะไปหาปรามังสุขขังที่ไหนทําำจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นมันก็ปรามังสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้จะเป็นชื่ออันนเลยถ้าในชื่อปรามังสุขขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรามังนี่ปรา ม, ม, มังไม่มีปัญหาอะไรให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิม่มนำทำลายนะแต่ประกาศด้วยประกาศว่าเราทานอิม่มนั้นะกดท้ า, ทามันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ในธาตุในขันตัวเองนี่ อะาจะกว้างขวางึงกว่ามหาสมุติมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนไหวนี้มากมายการกองอันนี้แหละกว้าง ก, กว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนจบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวไม่แหวว่าเป็าอนันเราเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าพระความเกิดแก่เจ็บตาย ปัญหาตัางๆของมันวันนี้แสดงเป็นทวามรีนนนน้สุดหนีไป <laughs>